ขอความสุขความสวัสดีจะมีแต่ท่านทุกฟังทั้งหลายการบรรยายประสูตร์ในวันนี้ก็คงพูดเรื่องรัตนสูตรคือ ป, ประสูตร์ที่ว่าด้วยรัตนเหนอรัตนะประนรเทระนั้นเมื่อได้รับพุทธบัญชาแล้วประดน้อมจิตรำลึกถึง อนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเริ่มตั้งแต่สร้างสมบรรมีมาในชั้นบา ร, รมีธรรมดาอุปบา ร, รมีและประมัตบา ร, รมีรวมเป็นบา ร, รมีส0สบทัศให้ปัญจมหาบริจาคคือบริจาคขนาดใหญ่ตั้งแต่วัตถุสิ่งของจนถึงชีวิต พระพุทธจริยาทั้งสประการที่ทรงบำเพ็ญมาในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยที่ทรงบำเพ็ญในสมัยเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพุทธจริยาทั้งสประการนั้นก็คือโลกัตถจริยาจริยาที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิก ค, คนหนึ่งของโลก ยาตตถจริยาทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติในฐานะที่เป็นคนหนึ่งของสกุแลแระพุทธตจริยาทรงบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นก็น้อมระลึกถึงอนุภาพของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่จุติจากดุสิตลงสู่ประคัน ของพระนางสิริมหามายาท่งประสูตรส่งตัดสินพระไทยออกสู่มหาปิเนศรมส่งบำเพ็ญเพียรทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าและส่งแสดงประตุมเทศนาตลอดถึงบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ท, ทั้งสามจริยานางาบแล้ว ก็เป็นการระลึกตลอดทั้งยามสามแห่งราศรีที่ท่านใช้คำว่า <c oughs> ตยามราระติงปริตตังการุณโตคือทำประปฤิตรอยู่ตลอดทั้งยามสามของราศรีต่อจากนั้นก็เป็นการสวดในเป็นการสาธยายนะฮะไม่ใช่การสวดในรัตนสูตร พระรัตนสูตรนี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่แสดงเองนั้นแสดงแก่พระ น, นุลองค์เดียวเพื่อนําไปสวดสาธยายกระจัดอันตรายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในกรุงพิษณุลีในแคว้นวัดจีในพระสูตรนั้นเป็นการพันนาถึงอนุภาพของพระรัตนใจเป็นฐานใหญ่แต่เริ่มต้นด้วย การกล่าวถึงพูดในแก่เทพระเทพปเทพปเจ้าทั้งหลายด้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนื่องจากพระสูตรนี้มีลักษณะที่ออกจากขลังๆลังอย่างที่บอกมาแล้วลเพื่อต้องการจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจคือทุกคำที่ท่านใช้ในพระสูตรโดยจะนำไปศึกษาเทียบเคียงว่า ไอสิ่งที่เรียกว่าครั้งครันั้นมันครั้งขึ้นมาจากอะไรครั้งขึ้นเพราะสิ่งนั้นครั้งหรือครั้งเพราะบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติได้ยืนหยัดหยุดในหลักที่ก่อให้เกิดเป็นความครั้งแล้วข้อนี้ท่านก็เริ่มต้นด้วยคำว่าญาณีตะูตานิสมากตานิซึ่งตามปกติแล้วในปัจจุบันนั้นเราไม่ได้สวดตรงนี้คือเราสวดบทที่สอง ที่เริ่มด้วยยังกินจีบิตังอิทวาหูรังวาเตรนที่นี้ในคำเริ่มต้นคือคาถาบทแรกที่เริ่มต้นด้วยคำว่ายานีตะผูตานิสมากตานิภูมานิวาญาณิวาอันตลิกเคน <c oughs> <c oughs> ก็แปลเป็นใจความว่าม <c oughs> <c oughs> ูพูดประจำถิ่นเหล่าใดไปสุมกันแล้วในนครนี้ก็ดีไปซุมกันแล้วในอากาศก็ดี ขอหมู่พูดพูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีจงฟังภาสิทธโดยครบเปรนั้นแลท่านพูดทั้งปวงจงตั้งใจฟังจงกระทำไม่ทรีจิตในหมู่มนุษยชาติประชาชนมนุษเหล่าได้ร่อมสังเบยทั้งกลางคืนและกลางวันเปรตนั้นแลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท ร, รักษามนุษย์เหล่านั้นข้อนี้ท่านทั้งหลายจะพบว่ามีอะไรอยู่เยอะแยะไปหมดเลยในพระคาถาเพียงบทเดียว ประการแรกนั้นคือแสดงเห็นว่าพระพุทธศาสนายอมรับความมีอยู่ของชีวิตประเภทที่เรียกว่าโอปปาติกะซึ่งอาจจะเป็นภูมิเทวดารุกเทวดาอากาศเทวดาตลอดถึงเทวดาเหล่าอื่นซึ่งอยู่สูงขึ้นไปกว่านั้นประการเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับคำพีพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้นกขเรียกว่าตั้งแต่ประสูติมาทีเดียวตอนประสูติบรรดาเทวดาในหมื่นจักรวาลเขาไปอาราธนาให้มาจุติในโลกมนุษย์ประสูติก็มีทานน้ำร้อนน้ำเย็นไหลลงมาจากอากาศมีเทวดามารับก่อนแล้วก็ส่งให้มนุษย์ต่อจากนั้นเวลาเสด็จ ไปในที่ต่างๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทวดาแต่ตอนที่จัดสรุปคือก่อนจัดสรุปนั้นเทวดากลัวมาหนีหมดแต่ว่าพอจัดรุปเสร็จเทวดาก็บรรลุลั่นนั้นกันแล้วก็เทวดามากราบทูลข่าวการตายของท่านอาราดาบดุทกดาบดุตลอดถึง ไปประกาศข่าวอสามบ ด, ดีพรหมมากราบทูลนราธนาแสดงธรรมแสดงธรรมเสร็จก็ขึ้นถึงภูมาินางเดวานางสัดังสุตวาจาตุมหาราจิกาเดวาศดามนุษเวสุ่งกวาะกันไปเป็นแทวไปซึ่งแสดงเห็นว่าเรื่องราวในรู้คุตตศาสนานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันเดียวกับสิ่งเหล่านี้ตลอดแต่ไม่ใช่ยอมรับอานาจความยิ่งใหญ่ของ ชีวิตประเภทนี้จะยอมรับในฐานะของสิ่งที่มีอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันกับเราประวธศาสตร์รรรรสน า, าไม่ได้สอนให้ถึงกับไปมอบกายถวายชีวิตจงรักภักดีต่อสิ่งเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้ตั้งกาลยาณในจิตคือความรู้สึกเป็นมิตร ระหว่างการแลกกันก็ทํานองเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงคือให้สร้างตั้งตั้งใจเป็นมิตรไมตรีต่อกันเขามีเมตรีต่อเราเราก็มีเมตรีต่อเขาแต่ถ้าเราอยากจะให้เขามีเมตรีต่อเราเราก็เริ่มมตรีต่อเขาเสียก่อนจริงบางคนก็ต่างคนต่างอยู่นะครับเทพก็อยู่ส่วนเทพคนอื่นก็อยู่ส่ว น, ค น, นคนอื่นเราก็อยู่ส่วนเราแต่วการเกี่ยวข้องผูกพันกันจนเป็นมิตรเป็นสหายกัน แล้วก็เกื้อคุลกันนั้นก็เริ่มจากการที่ขวายได้ป่าหนึ่งได้ปลูกเมติจิตขึ้นมาพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนให้รอคอยให้คนอื่นก็ปลูกเมติก่อนคือเราปลูกเลยเราต้องการเราก็ปลูกเลยเพราะถ้าเขาไม่ยอมรับมันก็เราก็ได้ความสุขความสงบใจส่วนเราก็ยอมรับมันก็กลายเป็นมิตรไมตีต่อกันดังนั้นคาสอนในลักษณะนี้จึงมีอยู่แม้ในตั้งแต่ ประสูตรดังกล่าวแล้วหรือแม้แต่ในมงคลประสูรที่พูดมาในตอนตอน้นจะตอนก่อนๆนะฮะว่าก็ขึ้นถึงก็พระผู้เดวามนุษยาจะมังคลานิจินตยุงวเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากได้พากาันคิดมงคลอากังขมานาสูดท่าหนังเพราะปรารถนาความสวัสดีก็ขอให้องค์ทรงสัตว์บอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถึงก็หมายความว่า เทวดาก็คือคื อ, ค, อคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เกิดด้วยโอปปาติกะกาเนิดแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้กับมนุษย์ถ้าว่ามนุษย์มีเมตรีจิตต่อเขาเขาก็มีเมตรีจิตตอบดังกล่าวในหลักการครองเรือนซึ่งทรงใช้คำว่าประโยชน์จากการบริโภคทรัพย์สมบัติ เมื่อบุคคลได้ใช้ความเพียรพยายามเก็บสะสมทรัพย์สมบัติออาไว้แล้วพอถึงจุดหนึ่งก็เลี้ยงดูตนเองครอบครัวญาติพี่น้องบ่าวไพรให้เป็นสุขก็สงเคราะห์ญาติตอนรับแขกอะไรมาด้วยมาแล้วก็มีข้อหนึ่งที่เรียกว่าเทวตาภริคือทำบุญุทธิ์กุศลให้แก่เทวดาทั้งหลายแต่นั้นในกรณีนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทวดา บางครั้งบางคราวอันตรายที่เกิดขึ้นจากอนมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ถ้าหากว่าเทวดาจะช่วยเหลือกอ็พอจะช่วยอะไรกันได้ดังนั้นในคําสวดบทแรกจึงเป็นการบอกกล่าวก็ไม่ใช่ขอร้องอ้อนวอนอะไรเขานะฮะเป็นการบอกกล่าวแล้วก็แนะนำเขาตักเตือนให้สติเขาเพื่อเขาตั้ง กัญยานจิตที่จะประพฤติปฏิบัติความดีโดยเริ่มฟังธรรมที่เป็นสุภาษิตไปดังนั้นจะพบว่าเวลาเราสวดมงคลเรือนนะฮะ ท, ที่ที่พระองค์เดียววาว่าเมื่อตอนอาราธนาพระประริษฐรในในอาราธนาพระปริษฐ น, น, น, นั้นคำอาราธนาก็เราก็บอกว่า วิปติปฏิบาหะยะสบสัมปฏิสิทธิยาสพทุกวินาซายะปริตังพรูธังขะลังต่อไปก็เปลี่ยนเป็นภัยโรคซึ่งถ้าแปลเป็นใจความก็แปลว่าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายได้โปรดสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อกระจัดเสียซึ่งทุกภัยโรคนะครับสามครั้งเวยกันเพื่อเป็นการ ห้ามกันอันตรายทั้งหลายแล้วก็ตลอดถึงวิบัติทั้งปวงเพราะฉะในการทำงานเหล่านี้ก็ต้องเชิญเทวดามาด้วยแลการเชิญเทวดานั้นเคยพบหลักฐานในอตอกถาว่าเป็นคำขอ ของท้าวสะกะเทวราชว่าเมื่อจะมีการเทศการแสดงอะไรจะประกาศให้พวกเขาได้รู้ด้วยเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมะเหมือนกับชาวบ้านเมื่อชาวบ้านก็ทําพิธีกรรมอะไรหรือพระจะเทศจะสวดอะไรก็ขอให้ประกาศด้วยก็จะได้มาฟังกันแต่เมื่ก่อนมีพิธีรีอตองแยะตรงไปดาดผ้าขาวอยู่ข้างบนใช้เทวดามานั่งกันบนผ้าขาวก็ดีก็ไม่กินที่แต่ไหนก็ <c oughs> แต่ว่าต่อมาในสมัยปัจจุบันเราก็ไม่ถึงก็ขนาดนั้นนอกจากเป็นพิธีใหญ่ๆจริงๆแล้วก็ในในคำนั้นท่านจะเห็นว่าก็บอกถึงเทพที่ไปจำถิน่นก็อยู่ในนครแล้วก็อยู่ประชุมอยู่ในอากาศทั้งหลายอันนี้ก็ต้องย้อนต้นว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จนั้นบรรดาเทพทั้งหลายก็เสด็จมาเฝ้าเลยเพราะงั้นก็สิงสถิตยอยู่ในที่ต่างๆ ในป่าในเมืองก็ในอากาศแล้วก็ตักเตือนว่าขอให้มีจิตใจเย็นคือให้มีจิตใจดีอยา่ยามีความขุ่นข้องหมองใจทั้งหลายแล้วก็ให้ตั้งใจฟังถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตแล้วก็เหมือนกับเวลาพระสวดตอนที่กล่าวแล้วนะก็เรียกขัดสักเค ธรรมัตสวนกาโลยมพนันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายนี้เป็นการฟังธรรมนี่ก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าขอให้ฟังธรรมที่เป็นสุภาษิตเพรนั้นกระตอกย้ำอีกทีเลยว่าจงตั้งใจฟังให้ดีและจงกระทำไมตรีจิตต่อมนุษยชาติแดนนาประชาสัตว์ทั้งหลายประบุคนเหล่านั้นได้บวงสวง ได้ความเคารพได้ทำพลีกรรมแก่ท่านซึ่งก็เป็นภารากิจนะฮะของท่านเหล่านั้นที่จะต้องกระทําตอบแล้วก็รักษาปกป้องอันตรายแก่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นมาพูดกเทพเสร็จพระนนทราก็กล่าวถึงรัตนนาทั้งหลายในโลกที่พระเรามาขึ้นต้นในปัจจุบันนะฮะยังกินจิพิตังอิทาวาอุรังวา สเกตสวาอย่างรัตนังประณีตังซึ่งแปลเป็นใจความว่าทรัพย์อันเป็นเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะอันใดอันประนีตอันใดในสวงสวรรค์รัตนานั้นเสมอด้วยพระทถาคตเจ้าไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์ดีขอความสวัสดีจงมีเพราะในคำสวดทั้งหมดนั้นท่านทั้งหลายจะพบว่าจะจบลงด้วยคำนี้ทุกที เอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเตหุตุสัปดาสุวติหุตุสัปดาคือบรรดารัตนะหรือทรัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นแก้แหวนเงินทองหรืออัญมณีอันมีค่าพิเศษอย่างไรก็ตามจะมีในโลกมนุษย์หรือว่าใน ส, สวรรค์ก็ตามถ้าจะเทียบกับพระพุทธเจ้าแตใ่ในที่นี้ท่นานใช้คำว่าตถาคตนะฮะตถาคตถ้าเราแปลตามรูปศัพท์แล้วก็ ก็แปลกนะครเป็นตถาอาคตะหรือตถาคตะแต่ว่าตาคาานั้นท่านแก้เป็นตั้งแปดคำแต่เราเอาเฉพาะรูปศับนะครับตถาอาคตะอาคโตแปลว่ามาแล้วตถาอย่างนั้นทีนี้สมมติว่าจะเป็นตถาคตะคือไปแล้วอย่างนั้นคือไปยังไงก็มาอย่างนั้นน่ยแปลแล้วก็ความแปลกชื่อโรขตเจ้านี่ เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนมิตกันนามแต่เป็นพระนามที่ทรงทรงใช้แทนพระองค์เองเวลารับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายเรียกว่าประดถ า, าคตคือไปอย่างไรก็มาอย่างนั้นมาอย่างที่ไปหรือไปอย่างที่มาเออชื่อเหล่านี้ถ้าเราศึกษาเรื่องวิชาศาสานาเปรียบเทียบแล้วเราจะพบว่าความหมายของอันเลาะเนี่ยก็คล้ายๆกัน ความหมายอันลออแปลคล้ายๆกับความหมายคำว่าตาถากระตะซึ่งในแง่ของประวัติศาสตร์ท่านริดเดวิสท่านบอกว่าคำมมอันลาะแท้ที่จริงมันเป็นคำที่เลื่อนมาจากอารหาหันความหมายเลยก็ออกจะคล้ายคลึงกันซึ่งเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้นั้นก็ต้องยกให้ท่านริดเดวิสท่าน ทําไมจึงถือว่าพระพุทธรัตนานั้นเหนือกว่ารัตนะทั้งหลายเพราะว่ารัต น, นทั้งหมดนั้นเป็นโลกีสัพ์จะให้ความปลื้มใจด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็แขวงเร้นไว้ด้วยความมีตกกังวล่นด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายต้องการตั้งกองรักขาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้แต่ว่า การที่บุคคลได้ศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าเป็นศรัทธาจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าศรัทธาที่ง่อนแงนคลนแคลนหรือที่เราพูดกันว่าศรัทธาหัวเต่ากับปรโปรโปรโปรเราศรัทธากันจริงๆนันจะมีค่ามากกว่าเพราะมีความโปร่งเบาสบายไม่เป็นที่ตั้งของเวรของภัยนั้นประการหนึ่งในประการหนึ่งในช่วงของการใช้ อกิเลตเอไม่ใช่คือรัตนะเหล่านี้มันเพิ่มกิเลสนะเพิ่มความโลภจัดขึ้นมาอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากได้นนจ์อางที่รับสั่งเล่าถึงพระเจ้ามันทาตุราชก็ อ, อยากได้เยอะไปหมดเลยอยากได้สมบัติในชาติในบ้านเมืองอื่นก็ยกกองทัพไปปราบเขาได้เยอะแยะแล้วก็ย้สึกมันเล็กลเกินมันแคบแเกิน จนถึงก็อยากได้สวรรค์พระอินทร์ท่านก็คี้เล่นเลยก็มาชวนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งก็รู้สึกสวรรค์มันแคบไปก็อยากจะเป็นเจ้าทั้งหมดทั้งสวรรค์แต่สลัที่ท่านไปอยู่นานน่ะนับอายุที่ปรลงมาพระอินทร์บอกว่านี่ชักเลิศเทอใหญ่แล้วเลยกเ็เอามาปล่อยในโลกมนุษย์ปรากฏว่าแก่นะฮะจดก็ตายไป รัตนาทั้งหลายนั้นเมื่อบุคคลไขว่ควาปรารถนาอยู่ยังไม่เต็มตามความต้องการคนก็ตายไปแล้วแล้วก็ทอดทิ้งรัตนาทั้งหลายเอาไว้ในโลกนี้แต่ว่าศรัทธาที่บุคคลได้ในพระพุทธเจ้านั้นเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพจิตของบุคคลให้มีความสะอาดขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า นอมลึกถึงพระพุทธเจ้าเราได้ศรัทธาเฉยๆในจิตใจเราก็ผ่องใสน้อมรำลึกถึงโดยการสวดใจก็ส ง, งบอยู่ได้พระพุทธคุณแต่ความผ่องใสของจิตจะเกิดขึ้นกลายเป็นปสาทะเมื่อพิจารณาตามไปแล้วก็จะเกิดศรัทธาปสาทสูงขึ้นจะถึงน้อมนำพระคุณของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็เป็นการสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้า เป็นการเดินตามหลักของพุทธานสุสติแล้วก็เรื่อยไปจนถึงศรัทธามั่นคงอย่างลงจริงๆไม่หวั่นไหวจริงๆซึ่งถ้าศรัทธาในดับนี้เขาเรียกว่าเป็นโสตาปฏิยังคะคือองคุณสมบัติที่จะนำผู้ศรัทธาให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบันหรือกล้เป็นประโสดาบันเข้าไปโส ความเป็นพรผสมดาบันนั้นเมื่อเทียบเคียงกันแล้วนะฮะท่านบอกว่าดีกว่าเป็นสมบัติของพระเจ้าจากกักรพรรดิหรือสมบัติในโลกนี้ทั้งปวงเพราะสมบัติในโลกนี้ทั้งปวงนั้นเป็นทางเพิ่มกิเลสทั้งเพิ่มเวรเพิ่มภัยด้วยประการต่างๆทั้งในการการสแสวงหามาทั้งในการคุ้มครองทั้งในการป้องกันกลัวคนเขาจะมายื้อแย่งจะมาตำหนตรายมันก็เพิ่มบาปเพิ่มความ ข, ขุ่นเยอะะหมดเลยอันนี้เมื่อเมื่อมองกันในแง่ของการเปรียบเทียบ การถึงพระตถาคตเจ้าก็เป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐกว่ารัตนะแม้เป็นรัตนะอันประนีตที่สุดในสวงสวรรค์เพราะเหล่านั้นเป็นการเพิ่มพวกเพิ่มชาติอย่างที่บอกแล้วท่านก็บอกว่าลักษณะเหล่านี้เป็นความประนีตในพระพุทธเจ้าคือเป็นเป็นรัตถทประณะ เป็นรัตนะที่ประนีตเหนือรัตนะที่ประดษฐตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือเป็นของจิ๋ก็ตามก็ถือว่าเป็นสัจจวาจาที่ต้องพูดด้วยใจที่เห็นตามคล้อยตามไปจึงจะเกิดเป็นสิริมงคลขึ้นมาดังนั้นท่านจึงบอกว่าด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีนะเอ่อถ้าหากว่าเป็นคำกล่าวที่กล่าวไปด้วยด้วยด้วยท่องจำ คือเขาว่าว่าก็ว่าไปมันก็ร้องเพลงชาติเหมือนกันอะไรที่ว่าเนี่ยไอตัวอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสัจาวาจาที่เข้าถึงใจจริงๆไอสุขสวัสดีต่างๆที่ต้องการปรารถนาก็คงเกิดได้ลําบากหน่อยแต่ถ้าหากว่าเป็นวาจาที่เปล่งออกมาจากใจมันก็ร้องเพลงชาติเหมือนกับร้องเพลงข้าวอมือนกัอีจีปิโซสวาาัสขาตัวอะไรอะไรเนี่ยที่เป็นการร้องออกมาจากใจ มันก็กลายเป็นเสริมงคลเป็นความสวัสดีไอ้ภาษาที่พูดมาจากใจเป็นสัตยาทิฏฐานหรือสัจจะปานิฐานนะฮะในชาดกท่านได้เล่าถึงสัจจะปฏิญาในแนวนี้ <c oughs> ซึ่งบางที ก, ก็ก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องดีอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นสัจจะ คือคือท่านเล่าถึงคนหลายคนนะฮะแล้วก็มาอ้างสัจจะมันก็มีปัญหาอะไรอยู่หน่อยหนึ่งต่างคนต่างก็ไม่มีใครรับผิดแล้วก็เพื่อจะให้ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำสิ่งนั้นแต่เรานั้นล้วนแล้วแต่ระลึกชาติได้อหญิงผู้เป็นพันญานั้นได้กล่าวสัจจะปฏิญาณของแกออกไปว่า คือตั้งแต่แต่งงานกับสามีเนี่ยไม่เคยมีจิตรักเลยลนิดเดียวขอให้สัตว์วาจานี้ขอให้เป็นไปยอย่างที่อย่างที่ตกลงกันไว้นี่เรื่องถึงจะเห็นว่าเอาก็จริงก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงอเป็นความรู้สึกที่เปล่งออกมาจากใจของท่านจริงๆเลยและท่านมีความความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็ประกาศออกมาปรากฏว่าก็กลายเป็นความสําเร็จตามสัจจะปฏิญาณ ตือบางชีนะฮะถฐานเล่าถึงหญิงนัรนค ร, นะครสโสเปณีคนหนึ่งคือเป็นคนมีสัจจะอย่างหนึ่งรับเงินจากใครตกลงกับใครแล้วจะไม่บิดพริ้วแม้ใครเอาเงินมาให้ไม่รู้สักกี่เท่าก็ตามจะไม่ยอมรับแ ล, และแกสามารถที่จะตั้งสัจจะให้น้ำไหลย้อนทวนกลับได้ เพาะ้น ถ, ถ, ถ้าเราดูแนวนี้ไอ้ปัญหาไอ้ความเครือบแคลงสงสัยในกรณีที่พระพุทธเจ้าลอยถาดอธิฐานถาดาข้าวมาาาตุปายญาที่รับจากนางสุชาดาในตรงนี้ก็ตั้งปัญหากันเหลือเกินมันลอยทวนได้ยังไงคือไปคิดเอาจากตัวเองนะครับเมื่อถ้าเราทําไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าต้องทําไม่ได้โดยไม่นึกว่าเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นเราคนละเรื่องกันคนละระดับคนละชั้นคนละอะไรกันสารพัพนะครับ เพาฉะนั้นในสิ่งที่เราพระพุทธเจ้าทำได้นั้นเราก็ทำไม่ได้แต่เราทำได้เราก็เป็นพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วป่านนี้นี่ก็คือคือคนคนไม่ได้คิดถึงถึงแง่ของความเป็นไปได้กับกับความเป็นไปไม่ได้แตสัตจจะปติยานจึงขึ้นอยู่กับว่าการพูดเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นนี่ยดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้หรือว่าเอ่อท่านผู้หนึ่งท่านระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเป็นสมผาน มีภาระธุระในการหาเงินซ่อมแซมกุฏิพิหารกันวุ่นวายเบื่อหน่ายไอ้สภาพเหล่านั้นได้เกินคือตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าถ้าหากว่าท่านทำอย่างนั้นเนี่ยว่าเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้เป็นสมภารอีกคือจะแสดงว่าเป็นความเป็นความผิดไรได้เกินที่จะต้องเกิดเป็นสมภานเนี่ยแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นพระราชานะ มาถ้าท่านทําความผิดอย่างนั้นแล้วเกิดชาหนึ่งพบได้ก็ขอให้เป็นประราชาอีกซึ่งไม่ได้หมายความมาชอบเป็นพระราชานะฮะหมายความว่ า, าการเป็นพระราชานั้นมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มีความสงบไม่เป็นตัวของตัวเองเลยท่านเคยเป็นมาแล้วรัตนลึกชาติได้ท่านก็หวาดกลัวนะบางคนหวาดกลัวอย่างพระเตมีหวาดกลัวนี่ก็ต้องไม่ยอมพูดไปเลยมันก็แล้วแต่ใครจะคิดนะฮะจะขึ้นอยู่กับพื้นจิตของคนที่มองในเรื่องเหล่านี้เพราะงั้น และการตั้งสัตยาทิฏฐานหรือการกล่าวสัต์นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆและสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงอย่างนั้นจึงเกิดเป็นผลเป็นความสุขความสวัสดีขึ้นมาได้นี่ในระดับของขอ ง, ของขวัญกาลังใจของสิริมงคลของการกระจัดปัดเป่าทุกภัยโรคนะซึ่ง มีความเป็นมาโดยการอ้างสัจวาจาที่กล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงและตนมีความรู้สึกเขียนตามคล้อยตามว่าเป็นจริงเช่นนั้นในตอนต่อไปก็ขึ้นขยังววราคังนะฮะ <c oughs> วสัคพสัสส ก, กยมุนีเจ้ามีพระไทยดํารงมัน่นได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลส เป็นที่สิ้นราคะเป็นอมริตธรรมอันประนีตซึ่งเราซึ่งสิ่งหลายๆเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อกไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนาประนีตในพระธรรมด้วยคาสัตว์นี้ข้อความสวัสดีจงมีนั้นก็เป็นการบทเป็นบทสวดในครั้งในในข้อที่สองออพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงจัดสรุธรรมะมีพระไัยที่ดำรงอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์โลกทั้งหลาย เพราะว่าภา ย, ภายในพระทัยของพระองค์ไม่มีกิเลสจิตใจของคนที่หวั่นไหวนั้นเพราะเรามีกิเลสนะฮะถ้าไม่มีกิเลสเราไม่หวั่นไหวคล้ายๆกับเราเข้าไปในป่าที่รู้สึกกลัวนั้นเพราะเรามีความกลัวอยู่ท่านั้นเดงกคือกลัวผีอยู่ท่านั้นแต่ถ้าเราไม่กลัวไม่รู้สึกว่ามีผีหรือรู้สึกว่ามีผีก็ไม่เห็นว่ามันน่ากลัวอะไรมันก็ไม่น่ากลัวอะไร แต่นั้นตัวใจของบุคคลเป็นเรื่องสำคัญพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นมีความมั่นคงเพราะเหตุว่าพระองค์ได้บรรลุธรรมขยังวิรากังนะฮะเป็นที่สิ้นไปของกิเลสเป็นการสํารอกกิเลสทางโลภะโทสะโมหะออกไปจากพระทัยของพระงองค์เพราะฉะนั้นไอสภาวะสภาวะที่สิ้นกิเลสนั่นเองมันเป็นอมริตะ เป็นอมริต ธ, ธรรมคือธรรมะที่ทำผู้ผู้บรรลุให้ไม่ต้องตายทำไมไม่ต้องตายเพราะท่านไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องตายท่านนั้นเองทีนี้คาว่าอมริต ธ, ธรรมนั้นเป็นคำที่พระเจ้าทรงใช้ในคราวแรกตั้งแต่ก่อนจะแสดงปฐมเทศนาคือธรรมะจากกวัตนาสูตร ตอนที่ไปโปรดพระปัญญวคีที่รับสั่งว่าบัดนี้เราบรรลุอมรุต ธ, ธรรมแล้วมาเพื่อจะแสดงอมรุต ธ, ธรรมนั้นแก่ท่านทีนี้คำว่าอมารุตตะเนี่ยมันเป็นคำโบราณมาเมื่อไร่ไม่รู้ก็กนานเนกาเลมากเลยเป็นความต้องการที่จะไม่ตายของคนทั้งหลาย อย่างคนสมัยนี้หาอายุวัฒนะกันะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรวังก่อมาไปเชียงใหม่ก็มีโยงโอโ อ, อยาอายุวัฒนะมาให้สองกล่องก็ต้องการจะให้อยู่ต่อไงก็คือต้องการอายุวัฒนะคือสรุปว่าไม่ต้องการจะให้ตายก็หาทางไม่ให้ตายกันเป็นตำเนียมเป็นความเชื่อถือในอต้นพระเวชนะะ จะสรุปว่าความเชื่อในแนวนี้ต้องมีก่อนพุทธกาลไม่น้อยกว่า4ี่พปีคงจะนานกว่า น, นั้นนะฮะแต่ว่าก็เป็นตำนานด้านเล่าสืบต่อกันมาว่าพระเทวดานั้นกลัวตายก็หาวิธีที่จะทำให้ตัวเองไม่ต้องตายเทวดาจึงชื่อว่าอมร น, นะครับอมรแปลว่าผู้ไม่ตายการที่เทวดาไม่ตายนั้นเพราะดื่มน้าอำมฤตไอ้น้าอำมฤตนั้นก็ เป็นตำนานที่เกี่ยวกับเทวกําเนิดนะฮะท่านได้เคยอ่านเรื่อง เ, อเทวกําเนิดคือเรื่องราวของเทพเจ้าแล้วก็จะพราบว่ามีคราวหนึ่งที่มีการกวนกระเียนสมุทรเกือภูเขากับภูเขามาโมง่กันเอาพญานาคมาเป็นอะไรมันก็เชือกคื่องแคๆเครื่องปั่นสว่านนะเอาพญานาคมาปัน่น แล้วก็พวกเพศสัตว์พวกแร่ธาตุพวกอะไรต่ออะไรต่ตางๆมันก็สึกกร่อนเปื่อยเน่าลงไปนะฮะอสูรก็ถือหัวหนาคเทวดาก็ถือหางหนาคไอเทวดาเอาเปรียบเพื่อนมาตั้งแต่ไหนแต่ไอรอสูนก็เลยแย่ไปเลยพญานาคพอถูกเจ็บแกก็พ่นพิษใส่อสูนใส่อสูนอสูนก็สะบักสะบอมไปก็ในที่สุดต่อมา ไอ้อะไรล่ะราหูราหูราหูไม่ได้ร่วมกว น, กนเกษียนสมุทกับเขาละครั้งนั้นแต่พอน้าเริ่มเป็นอมรุตเข้ามาก็มาแอบดื่มฮะแต่บัดดื่มก็ไปแล้วพระนารายก็รู้ข้าก็โกรธขว้างด้ดยจักขาดสองท่อนนะก็กลายกลายเป็นโลกก็กลายเป็นอะไรดาวดาวราหูอะไรแล้วก็ เพราะ ง, งั้นพระราหูกับพระจันทร์จึงโกรธมาเพราะในคราวปวงกเกษียนสมุดนั้นพระจันทร์เองไม่ได้ลงกวนแต่นั่งนั่งอยู่ในหมู่เทพไปกระซิบบอกพนาไายให้ขว้างแต่พญานาคแค้นใจเอาตัวเองเป็นเครื่องมือเลยก็พ่นพิษลงไปในสระนั้นพอดีพระศิวะท่านเห็นข้าวน้ากำลังจะเป็นทิพเพื่อนไปพ่นพินพษข้าวท่านก็ตกลงเอาพิษนั้นมาดื่มก้มลงดื่มเสเองเพราะ ง, งั้นพระศิวะจึงมีพระสอดำเพราะถูกพิษพญานาคโอ้ยนิทานเรื่องนี้สนุกเหมือนกัน อย่างเยอะเลยนี้ก็เป็นนิทานเทพคืสรุปความเป็นมาคําว่าอมฤตนะฮะคำว่าอมรุตนะคือเริ่มมาจากกา ร, วรกวนกระเสียนสมุดของเทวดาผู้เจ้าของเราก็เริ่มปฏิรูปความคิดเหล่านั้นคราะมันสื่อความหมายง่ายนะฮะคือถ้าไปตั้งคําขึ้นใหม่มานั่งอธิบายกันก็ตายเลยเลยอมรุตแต่ธรรมใช้คำว่าอมรุตธรรมคือธรรมะที่ทําบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตายเหมือน กับความเชื่อถือของโบราณที่ถือว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำำําอมฤตแล้วก็จะทำให้บุคคล น, นั้นไม่ตายเอ้ยทีนี้ที่ที่บอกว่าเทวดาเอาเปรียบเพื่อนนะ่ยคือเสร็จแล้วมันก็ดื่มน้ำำําอมฤตกันพอดื่มน้ำำําอมฤตกันอสูรก็ดื่มด้วยนะฮะอสูรเนี่ยก็เหนื่อยมากไปหน่อยถูกพิษพญาหน้าก็สะบักสะบอมแล้วก็ดื่มมากไปพอตกลับไอเทวดาก็หาเรื่องจับอสูรโยนจากสวรรค์ แต่ศูนย์ตอนนั้นมันไม่ตายแล้วคงกับพันชาดี 4. ลงมาแล้วก็มาเกิดวิมานเชื่อชื่อว่าเวฟไปจิตติอศูร น, นี่ก็ตำนานโบราณ น, นะฮะเื่องชื่อวเวฟเวฟไปจิตติอศูนก็อยู่ใต้สวรรค์ชั้นดาวประดึงก็มีเรื่องเอเทวศูนย์สงครามอะไรต่ออะที่เรามาเล่ากันเนี่ยก็เกิดจากช่วงตรงนี้ฮะต่อยืดเจื้อกันมายาวนานจนทุกวันก็ยังไม่เลิกรบกันออทีนี้ อมฤตธรรมในความหมายนั้นก็คืออุดมธรรมนะฮะอุดมธรรมจริงๆก็หมายถึงโลกุตรธรรมหรือธรรมะทั้ง9้าไอ้ทั้ง9้าประการากานะฮะมรสีผลสีนิพพาน น, น, นี่ได้ชื่อว่าอมฤุตธรรมอันประณีต เ, เพราะ ถ, าถ้าถึงจุดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเสมอแล้วนะฮะเพราะว่าหลุดพ้นจากทุกหลุดพ้นจากสังสารวัฏเพราะงั้น ท่านจึงบอกว่าสิ่งใดๆเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีนี่ก็เป็นความประนีตในพระธรรมแล้วก็ด้วยอำนาจสัจจวาจานี้ก็ขอความสวัสดีจงมีต่อไปข้อสุดท้ายยามุข้อไม่ใช่ข้อสุดท้ายนะฮะ ข, ข้อที่สี่ยมุตเตเศทโทร ป, ปริวันยีสุจริงที่แปลที่ที่ว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญซึ่งสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดนี่ก็เริ่มแสดงขั้นตอนของธรรมะได้แก่ใจสิตขานั่นเองเพราะสมาธินั้นเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญดูก่อนวิสูตรทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทําศีลให้สมบูรณ์ทําสมาธิให้สมบูรณ์ผู้ทําศีลให้สมบูรณ์ผู้ทําสมาธิให้สมบูรณ์แล้วปัญญาก็ย่อมสมบูรณ์ก็ทรงแสดงผลของศีลสมาธิปัญญา เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงสันเสริญไว้โดยอเนกกระปรยายธรรมนั้นเป็นเครื่องทรมัสะอาดจะทมัสะอาดจากอะไรสะอาดจากความขุ่นมัวของใจใจขุ่นมัวด้วยอะไรใจก็ขุ่นมัวด้วยอารมะโทสะโมหะที่ออกมาในรูปของนิวรธรรมทั้งหประการ เมื่อบุคคลได้ประพฤติธปฏิบัติตามหลักของสมาธิแล้วจิตใจก็สะอาดคือปราศจากนิวรณ์ทั้ง5ประการจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะไม่ขุดบวมีความสงบบัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวถึงสมาธิอันใดว่าให้ผลตามลําดับคือเรื่องของสมาธินั้นจะให้ผลไปตามลําดับตามสัดส่วนที่จึงธรรมะมันก็ให้ผลตามลําดับทั้งหมดนันแหละแต่ว่าในที่นี้ท่านก็เน้นไปที่สมาธิเพราะพูดถึงธรรมะอันประเสริฐนะฮะ พุ่ธรรมะอันประเสริฐไม่จะพูดแค่ล่างๆ้า่ล่างๆมันก็มีธรรมะที่สูงกว่าอยู่บัณฑิตสันเสริญธรรมะสันเสริญเรื่องของสมาธินี่ว่าให้ผลตามลาดับซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็สงบจิตในขณะนั้นๆจะ่าเกิดโกรธขึ้นมาก็สงบจิตมันก็เป็นสมาธิชั้นหนึ่งความโกรธก็สงบตามไป เดินนั่งบําเพ็ญเพียรสมาธิสงบได้ขณะดหนึ่งจิตก็สะอาดขณะดหนึ่งสงบเพิ่มขึ้นจิตก็สะอาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ผลด้วยไปตามลําดับตามลำดับชั้นตามองค์ฌานที่แสดงนะ่ะคือคือค อ, ององธรรมในเรื่องเหล่านี้มันก็ผ่านมาบ่อยในพระสูตร ต, ต่างๆก็ให้ผลตามลำดับปฐมฌานก็ลาดับหนึ่งมีองค์อยู่หประการ วิตกความตรึกวิจารณความตรองปิติความอิ่มใจสุขสบายกายสบายใจเอกะกะตาจิตเป็นอันหนึง่งอันเดียวคือเป็นสมาธิพอปฏิบัติไปถึงทุติยฌานวิตกวิจารก็สงบมีปิติเอื้อิ่มสูงมีความสุขสูงมีความสงบสูงเดินไปอีกถึงตติยฌานแม้ปิติเองก็สงบยังเหลือแต่ความสุขกับสมาธิพอเดินไปอีกถึงจถเจตุจีฌานแม้แต่สุขก็หายไป อย่างเหลือแต่สมาธิกับอุเบกขาคือเป็นลักษณะของปัญญาที่เพง่งเพ่งดูจิตของตนตรวจสอบดูจิตของตนแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นต่อจิตในขณะนั้นๆว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ก, ก็จะตัดสินไปตามสมควรแก่กรณีนี่ก็ยกย่องเรื่องของสมาธิว่าสมาธิอื่นนั้นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีคือสมาธิมันมีอยู่สองสายนะฮะที่จริงมันก็ อาจจะพูดถึงว่าสามระดับก็ได้คือระดับหนึ่งนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไปเลยเป็นมิจฉาสมาธิมันก็ออกนอกรูนอกทางไปแต่สมาธิระดับหนึ่งเป็นสมาธิทั่วทไปเส้นสะกดจิตตัวเองได้ชั่วครั้งชั่วคราวของพวกหมอศิยศาสตร์อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยฮะแต่เมื่อเที่ยวกับสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วการทำสมาธิเหล่านั้นก็สู้ไอ้สัมมาสมาธิไม่ได้เพราะมิจฉาสมาธิมันก็เข้าป่าไป สมาธิที่เป็นช่วงขณะนั้นมันก็บบแวบไปแว บ, บมานะฮะอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ดีตอนเป็นสมาธิแต่ว่าพอสมาธิเสียไปมันก็อาจจะไม่ดีอาจจะทำอันตรายแก่ตนได้ก็เทียบกันแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสมาธิระดับที่กล่าวนั้นเป็นสมาธิที่สูงกว่าและทั้งก็จบลงด้วยในอันนี้ก็เป็นรัตนอันประนีตในพระธรรม ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีเหมือนกันก็จบเหมือนกันทุกข้อนะฮะเป็นคำคล้ายๆกับว่าพระที่สวดเองก็ไม่ได้เอาอนุภาพอะไรของตัวเองมาช่วยในการกระจัดปัดเป่าอันตรายเหล่านั้นอย่างที่พระานนท์เริ่มทมคราวแรกก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพก็สังคานุภาพตลอดถึงเทวานุภาพให้มาช่วยประสิทธิประสาทสิ่งที่ท่านต้องการในที่นั้นคือ ระ ง, งับดับทุกโรคภัยที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวเมืองไทยสาหร่ามันก็มีลักษณะเดียวกันนะฮะลักษณะเดียวกันกับที่เรามาสวดเป็นคามราธนาปริศต์คือขอให้กระจัดภัยทุกโรคทุกภัยโร ค, ท, โรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลเพราะเป็นสิ่งทั้ง3อย่างนั้นก็ไม่มีใครต้องการสักอย่างที น, นี้ต่อไปก็ขออนุภาพพระสงฆ์เยปุ ก, กลาอัฏฐสตังปัสสัท่านะฮะ จตาริเอตานิยุกานิคนติมันก็มันก็เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับที่เราสวดในสุปฏิปโนโนั้นเองแต่ว่าข้อความข้อความก็เปลี่ยนกันนิดหน่อยแต่เนื้อหาก็เหมือนกันคือขออนุภาพของบุคคลเหล่าใด8ปดจำพวกสี่คู่อันสัตว์ปรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคต บุคคล8ปสี่คู่นั้นก็คือพระรยบุคคลที่เราสวดะฮะยะดีดังจตาริปุริสุุกาณิในแปลว่ายะดีดังนี่คือใครจตาริปุริสุยุกาณิคู่แห่ง บ, าาาาบุรุษสี่อัฏฐปริสุปุกลาบุรุษบุคคล8เอสา ะ, ะกวาโตสาวาคสังโฆนี้ประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจา้านั้นที่เราสวดในสังกุลปะนั้นนี่ข้ข้อความมันก็คือคือกันนะฮะโดย เนื้อหาแล้วก็เท่ากันพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ก็ในสังกคุณไม่ได้อ้างอนุภาพตอนนั้นเองคือพระรยาบุคคลนั้นอย่างที่บอกท่านทั้งหลายว่าการเรียงธรรมนั้นพอถึงชั้นหนึ่งมันเรียงตามขณะตอนนั้นเององค์ธรรมเยอะแยะมีฌานสิบหกมียานสิบกโอยคนก็คุยกันอยายานสิบหกต้องปิดประตูพูดกันหนะาน มีคนเพียนเพียนเยอะไม่บอกอยากจะได้ยานที่หกเรายังไม่ได้ก็สร้างเอาเองไอ้ยานสิบหกนี่ที่จริงมันพุทธุทธเสร็จแล้วคือไอ้ไอสิ่งที่เป็นขณะเนี่ยท่านทั้งหลายลองลองมองดูคล้ายๆเนี่ยเราเราเปิดสวิตซ์ปับ๊บเปิดสวิตซ์ปับ๊บถ้าเราเรียงเป็นองค์ธรรมมันเป็นอะไรอความมืด แสงสว่างเกิดขึ้นความมืดถูกกระจัดไปแล้วก็ไอสิ่งที่อยู่ในที่มืดก็ปรากฏแล้วกระแสไฟก็เสื่อมไปโดยําดับมันเกิดขึ้นในขณะเดียวเองเกิดขึ้นขณะเดียวเท่านั้นเองแต่พอเรียงเป็นองค์ธรรมได้เยอะแยะไปเลยเพราะงั้นพอพูดถึงชั้นของจิตนะฮะระดับที่ประนีตมันเป็นอะไรเป็นชวนาะเป็นเป็นขนานะครับ เป็นขณะวิ่งไปไอโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลก็คู่หนึ <S s so to to ่งนะสกิรคาลมร์สกิตรคายมีผลนาคายมร์มรนาคายผลนหัตมร์นาัตผลก็รวมแล้วก็8ถ้าเรียงลําดับมันก็เป็น8ถ้าจับคู่ก็เป็น4คู่แต่จะถามว่าอรหัตตมร์กับอรหัตตผลโสดาปฏิมร์กับโสดาปฏิผลมันห่างกันไหมจบโซดาบรรุโสดาปฏิมร์แล้วอีกนานไหมจึงเป็นโสดาปฏิผล ก็เหมือนเปิดสวิตไฟ น, นะไม่ใช่สวิตไอ้ไอ้หลอดนีออนนะสวิตไอ้ดวงเลยแหละที่จริงมันก็เร็วกว่า น, นั้นนะคือมันต่อเนื่องกันท่านนั้นเองแต่ว่าในแง่ของขณะจิตมันเป็นคนละขนาดกันพอเป็นมรรคเป็นผลนะฮะพอสว่างก็มืดหายไอ้สว่างกับมืดหายนั้นท่านเหว่ามันคนละขนาดกันสว่างก่อนนะฮะแล้วก็มืดหายไปทีหลังแต่เรารู้แล้วมันก็คือกัน นี่คือการพูดธรรมะระดับสูงเป็นการพูดโดยขณะเป็นช่วงเป็นขณะดูแล้วโอ้โหมากมาไปแล้เกินองคธรรมต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นตัวเลขนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปคิ ด, ด้มากมาอย่างนึกๆดึกว่าเออคนแก่ๆนี่ก็แปลกไอ้ความจําไม่ค่อยดีอุตส่าห์มาเรียนอภิธรรมอภิธรรมมานั่งนับตัวเลขนะฮะก็ <c oughs> ยิ่งปวดหัวหนักยิ่งขึ้นเพราะาเราต้องจํามาก ต้องจำชวนะชว่วยแต่ละขณะอะไรๆวิ่งของจิตว่ายังไงก็เอามาพูดกันในหมู่พวกตัวเองได้นะฮะพูดกับข้างนอกเขาไม่ได้หราฟังไม่รู้เรื่องที่จริงไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นเป็นเพียงขณะหนึ่งแต่นั้นเองดังนั้นทัดจึงบอกว่าอันสัตว์ปรุษสรรเสริญแล้วสัตว์ปรุษก็สรรเสริญพระอญญายบุคคล สุปฏิปนโนอุจุปฏิปนโนญายะปฏิปนโนสามีจีปฏิปนโนที่เราสวดนะฮะสวดก็สวดสรรเสริญท่านอะแต่สวดสรรเสริญพระอารยบุคคลนะสุปฏิปนโนภควาโตทราบภวาสังโคลประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วนี่เราก็สรรเสริญท่านนะฮะว่าท่านปฏิบัติดีแล้วแต่ว่าหมายถึงพระอารยบุคคลดังที่กล่าวแล้วเอ่อก็ยกย่องว่าเป็นผู้ควรแก่ ทักคินาทานทักสินาทานคือควรแก่การให้แก่การทำบุญแต่ในที่นี้เน้นไปในด้านของการบริจาคนะนี่นก็ไปยุติด้วยหลักเหล่าอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะในทานวิพังน์กระสูตรที่เคยกล่าวมาแล้วที่อะไรแต่ไรเนี่ยเพราะว่าในการให้ทานนั้นมาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขือย่างน้อยที่สุดก็บุคคลสองฝ่ายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทาน บุคคลสองฝ่ายคือผู้ให้กับผู้รับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกาทานก็คือสิ่งที่ให้กับเจตนาในการให้เพรา ะ, ะองค์ประกอบจริงๆมันก็มีอยู่สี่ซึ่งองค์ประกอบสี่นี้นก็กลายเป็นตัวแปร ى, ที่จะทําให้มีผลมีอานิสงส์มากหรือไม่เบอร์ตาหาว่าของที่ได้มานั้นได้มาในทางที่ชอบธรรมเจตนาประกอบด้วยกุศลตลอดผู้ให้เองก็ มีศีลมีกัญญาณธรรมผู้รับเองก็เป็นพระยะบุคคลแต่อย่างนี้ก็ไปกันใหญ่แต่ก็อย่างที่บอกให้ท่านทั้งหลายทราบมาในวันก่อนแล้วเคยเล่าให้ฟังมาทีนึงแล้วนั้นว่าไอทานประเภทนี้มันมีสมัยพุทธกาลมีอยูหกคนนะนั่นเองมันหายากนะไอจังหวะที่มันได้พอดีพอดีนี่หายากนะมันต้องขาดเหลืออะไรมันเกินเกินขาดขาดอยู่เนี่ยชีวิตคนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรสมบูรณ์เท่าไหร่ แต่ว่าพระอริยบุคคลเหล่านั้นท่านเป็นผู้ควรแก่ทักษินาทานคือควรแก่การให้เมื่อให้ไปแล้วมันก็เกิดบุญแก่ผู้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ทานอันทานทั้งหลายอันบุคคลถวายในท่านเหล่านั้นคือในพระยาบุคคลเหล่านั้นก็ย่อมจะมีผลมากแต่ว่าจะมีผลมากสมบูรณ์ประเภทที่เรียกว่าผลทันตาเหตุ ผลตาตาเห็นก็มีสมี6คนดังกล่าวแล้วผลที่รองลดหลั่นลงมาก็จะมีผลมีอานิสงค์มากที่อำนวยประโยชน์สุขให้ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ภายภาคหน้าแก่บุคคลเหล่านั้นเป็นการเชีย่ยเห็นถึงคุณสมบัติของพระอริยสงฆ์ <c oughs> ที่บุคคลยึดถือนับถือว่าเป็นสะนาที่พึ่งทิระลึก ก็นี่ท่านท่นหลายจะจะพบว่าช่วงนี้นะก็มีทั้งหมดเป็น6เป็นเป็นเป็นเป็นหคาถาด้วยกันคนะาถาแรกก็กล่าวถึงเทวดาชวนกันมาฟังธรรมแล้วก็ชวนให้มีเมตต์จิตเมตตาจิตต่อกันคาถาที่สองก็กล่าวถึงรัตนทั้งหลายที่ประดิษฐ์ไม่มีอะไรเหนือกว่าพระพุทธรัตนะ์วันที่สมก็กล่าวถึงพระธรรม ประศีก็กล่าวถึงสมาธิประหะก็กล่าวถึงพระสงฆ์สมาธิกับพระธรรมก็คือกันนะก็พูดถึงพระธรรมอีกในชั้นหนึ่งเท่านั้นเองประชั้นประข้อที่หก็มากล่าวถึงพระสงฆ์เออแต่ว่าในบทสวดของเรานั้นที่จริงมีเยอะนะฮะยังยังยังมีอีกหลายตอนเรามาสวดปัจจุบันเราสวดจากข้อที่สองพอมาณ ถ, ถึงข้อที่ห้าเนี่ย ที่ห้าแล้วก็ข้ามข้ามไปเยอะเลยข้ามไปเยอะไปไปสวดไอ้ตอนรองสุดท้ายนิดหน่อยสวดแล้วก็พระดับเทียนนะฮะท่านทั้งหลายก็คงจะเคยเห็นว่าแล้วก็ดับเทียนแต่สมัยก่อนจริงๆนั้นเขามีคาถาดับเทียนชัยเขาเรียกว่าดับเทียนชัยสวดไปอย่างอะไรนะฮะอย่างพิธีทุกวันเราใช้เต็มเต็มรูปพิธีพุทธาพิเศษอะไรเนี่ยฮะ เทียนชัยเวลาจุดไปแล้วมันก็ยาวนะยาวและใส่ในกล่องท่านที่ชอบเรื่องเครื่องรางของขลังนี้คงจะเห็นว่าเทียนนี่ยาวมากเลยเพราะงั้นก็ต้องจุดอยู่จนเสร็จพิธีเทียนก็สว่างอย่างนั้นแล้วพอถึงเวลาก็มาทําพิธีก็เรียกว่าดับเทียนชยัยสมเด็จพระสังฆราชเสด็จจุดเทียนชยัยหรือว่าสเสด็จดับเทียนชยัย หรือระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จจุดแลส้สมเด็จสังกราชเสด็จดับอะไรเนี่ยมีนั่นก็เป็นพิธีรีตองออพิธีในสมัยก่อนนั้น เ, เรามีธรรมเนียมอะไรเราก็ไม่ได้สวด เ, เรียกว่าปัจจุบันเราเรียกวสวดบนฉันเพลนะครับคือคล้ายๆกระยมก็ให้รีบเสร็จไปพระก็ให้รีบเสร็จไป เ, เลยพิธีรีตองในลักษณะ น, นั้นก็โคตรหายสั้นไปเยอะ สมัยก่อนก็จุดเทียนฉายแล้วเขาก็ไม่มีการดับหรอกฮะมีการดับก็จุดไว้แล้วก็เจ้าภาพเองก็ต้องรักษาเทียนเอาไว้หรือไม่ให้ดับเทียนจึงมักจะใช้เทียนใหญ่ยาวเพราะต้องจุดไว้ทั้งคืนนะฮะนิมนทร์พระสวดมนต์เย็นแล้วก็ฉันเช้าหรือฉันเพนส่วนมากจะฉันเพลอันเนเทียนมันก็ต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องอยู่นานนะกว่าจะดับ รุ่งขึ้นเชา้าพระก็สวดสวดเสร็จตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะสวดเสร็จก็นิมนต์กลับเลยรุ่งขึ้นเช้าจึงมาทําพิธีเขาเรียกถวายพรพระอะไรแต่ไรแล้วก็มาถึงพระก็สวดถวายพรพระเขาเรียกว่าเ จ, เจริญพุทธชัยมงคลคาถาไม่ไม่จะสวดเต็มแล้วก็ทําพิธีเสร็จเรื่องเสร็จแล้วก็ทําพิธีดับเทียนชัยมีคาถาอีกหนึ่งโดยเฉพาะ ไอ้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันก็เปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกนะฮะตอนพศ88นะฮะแต่พศ88คือเข้าใจว่าคงจะเกี่ยวเนื่องกับการพรางไฟอะไรของเราด้วย เ, เกี่ยวกับการประหยัดเรศรัาทธาที่จะฟังของโยมก็ผ่อนคลายลงไปพระก็ขี้เกียจตรวจลงเลยก็ขดตัดสั้นลงสั้นลงสั้นลงมากนะฮะว่าที่จริงพระสูตรแต่ละสูตรเนี่สั้นลงมาก รัตนสูตรนั้นเรามาสวดประมาณหนึ่งในสมบงคลสูตรนั้นสวดประมาณบงคนสูตรมากหน่อยนะครับบงคลสูตรประมาณ4ี่ในห้าก็ก็ ก, ก็ก็มีบงคลสูตรสวดเดียวที่เออสูตรเดียวที่เราสวดนานรัตนยเมตตาสูตรซึ่งจะพูดในโอกาสต่อไปนั้นเราจะสวดประมาณหนึ่งในสี่ ของสุดคือคือสรุปประพอข้างหลังแล้วก็สี่ห้าบรรทัดอะไรนะห้าบรรทัดสี่บรรทัดก็ประปพักเดียเสร็จแล้วเดี๋ยวสวดเพราะงั้นก็ลงตัวทีเลยว่าสามสิบนาทีทั้งให้ศีลทั้งอะไรอะไรสามสิบนาทีสวดเสร็จสมัยก่อนไม่สวดนานก็เป็นพิธีที่มันเหมาะสาหรับยุคสมัยหนึ่งพอยุคสมัยนี้ก็รู้สึกว่าอึดอัดล่าช้าไปหมด เพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วแนวของพระคาถานี่ยป็นมงคลสูตรนั้นให้ลองสังเกตว่าที่พูดมาแดครั้งไม่ได้มีลักษณะอะไรที่ขออธิษฐานอำนาจของพระรัตนใจโดนบันดาลอะไรต่อไรเนี่ยนอกนอกจากอีตอนสุดท้ายหน่อยหนึ่งแต่พูดถึงการปฏิบัติไม่จะพูดถึงอนุภาพว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะประสบผลอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนรัตนสูตรนั้น เป็นพระสูตรที่เน้นไปในพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเพราะฉะนั้นพระสูตรทั้งหลังทั้งหมดเลยนะยังมีอีกมากก็เป็นเรื่องของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพแล้วก็เทวตานุภาพพอสรุปไปะจะอนุภาพของสิ่งทั้งหมดนี้แม้จะไปดับเทียนชยัยเออตอนหลังที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะขับเทวดาหรือส่งเทวดา ทรงเทวดาถ้าท่านไปฟังพระมานิกายสวดนะก็สวดแบบสังโยกนะฮะจังหวะก็เต้นนาโดยับปับปบปับปับปัเต้นจังหวะจังหวะแปลกมากอ่ะจังหวะคล้ายๆกับนกติดแล้วมันเต้นหยกแจกหยกแจกแล้วก็น่าฟังนะฮะน่าฟังมากคือคือจังหวะจะเปลี่ยนไปเฉยๆเลยสวดๆแล้วพอถึงทุกขัปัตตาเะนิทุกขานี่ก็ดับก็จังจหวะจะเต้นไปอันนี้เราจะพบว่าในด้านขวัญกำลังใจ ในด้านสวัสดิมงคลสิริมงคลนั้นพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ได้ปฏิเสธในชั้นนี้อย่างที่บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าในชั้นทั่วๆไปนั้นพระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธอะไรง่ายๆเพราะในพราะวันโลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะพระพุทธศาสนาโลกศาสนาเพิ่งเกิดมา 2,000 กว่าปีนั้นโลกมีมนุษย์มาไม่รกกี่พันล้านปีแล้ก็ อ, อยู่กันมาได้ยังไงไม่มีศาสนาอะไรเลย สร้างบ้านแปลงเมืองกันมาสืบต่อผ่อพันุ์กันมาได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้แสดงว่าเขาก็มีหลักเขามีปัญญาระดับหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเดี๋ยวศาสนาเหล่าอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเขาก็มีเด็กเขาก็อยู่เขาได้นี่นะเดีแม้แต่พวกลทัทธิบางลทัทธิไม่มีศาสนาอะไรเขาก็อยู่เขาได้เพราะงั้นเราก็ไม่ปฏิเสธในชั้นหนึ่งนะฮะเราปฏิเสธอีกชั้นหนึ่งแต่นั้นเอง คืออย่าอย่าไปพูดเลยมันมันเกินไปว่าพุทธเจ้าปฏิเสธงมงายได้ไม่จริงอนะงมงายยังไงโลกมันมีทุกปันไอสองพันกว่าปีมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็อยู่ของเขาได้มานี่ฮะอย่างในการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูเขาต้นไม้จอมปลวกอะไรแต่ไรเนี่ยฮะอย่างที่เราสวดพระเจ้าทรงแสดงว่า มนุษย์ทั้งหลายเมื่อถูกมานตภัยคุกคามย่อมถึงภูเขาต้นไม้จอมปลวกเจดีย์อะไรใดนี่ฮะว่าเป็นที่พึ่งไม่ได้ทรงปฏิเสธทั้งหมดนะฮะแต่ทรงปฏิเสธชั้นสูงได้โปรดเข้าใจนะฮะว่าปฏิเสธชั้นสูงว่าเนตังโคสรดังเข้มบางนั่นไม่ใช่สาร ะ, ะอันเกษมเนตังสา ะ, ะมุตตมบางนั้นไม่ใช่สาร ะ, ะอันสูงสุด เนตังสนะมากรรมมาสปุกข้าพมุจจติพูดถึงสิ่งเหล่าน <aged, S 2> ี้เป็นสนะแล้วไม่สามารถจะหลุดพ <any entre cznie> ้นจากทุกขังปวงนะฮะไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกขังปวงได้คนหลุดพ้นจากทุกขังปวงนั้นคือพระพุทธเจ้าแต่นั้นเองทั้งปวงนะพระนาคามีก็ยังไม่ทั้งปวงไม่มีใครทั้งปวงนอกจากพระพุทธเจ้าพระเพุทธเจ้าพระอรหันต์นั่นเองพระพุทธะสามพุทธะท่านั่นคือปฏิเสธชั้นสูงสุด ชั้นสุดยอดของมนุษย์ชั้นจุดสุดยอดของธรรมะชั้นสุดยอดของอุดมธรรมชั้นชั้นสุดยอดของอุดมบุรุษปฏิเสธคุณธรรมที่จะนําผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นอุตตมบุรุษือุดมบุรุษปฏิเสธชั้นสูงสุดนี่คือหลักของพระพุทธศาสนา เมั้นจากจุดเหล่านี้เป็นเครื่องชี้อีกประการหนึ่งว่าการประพรมน้ําพระพุทธมนต์นั้นไม่ได้นอกพระพุทธศาสนาคนระดับพระโสดาบันเป็นคนทําคนแรกแล้วก็ทําตามพุทธานุมัติคือพระบัญชาของพระพุทธเจ้าให้ทําเพือ่อชวยแก้ปัญหานี้ระดับแก้ปัญหาระดับนี้ไปโยมานั่งกรรมฐ า, านนาโยมาเพื่อนตายกากกๆกันเนี่ยตายลากกันเป็นแถว โยมานั่งภาวนาพุทโธพุทโธภาวนาไปภาวนาไปแล้วเพื่อนจะตายกันหมดนะมันไม่ใช่เรื่องกรรมฐานนะตอนนี้ไม่นั่งพูดกรรมฐานนี่ไม่ได้หรอกมันเรื่องที่เราจะแก้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเวลานี้เมื่เกิดทุภิกรภัยในเมืองภัยสาลีเราทำยังไงถึงจะกจัดภัยอันตรายได้เรื่องอื่นค่อยพูดกันไม่ใช่ว่านิ่งๆอะไรก็ต้องนั่งภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธภาวนาไปยมภาวนาไปยมในลูกร้องมันป่วยจะเข้าโรงพยาบาลแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่ก่อน นี่คื อ, ค, อคือขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมะมาเป็นขั้นหนึ่งเป็นระดับหนึ่งเป็นระดับอ้างอนุภาพนะฮะไม่ใช่เรื่องปฏิบัติตอนนี้เรื่องอ้างอนุภาพกันเลยแล้วก็จบลงด้วยขอด้วยอำนาจสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีและขออนุภาพกันเลยแหละขอกันเดือดเดือแต่ว่าเราขอด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมัน่นรัตนาให้เกิดอนุภาพเหล่านั้นอย่างที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าระดับอนุภาพก็เป็นอนุภาพ ไม่ใช่เรื่องบวงสรวงอ้อนวอนก็ไม่ใช่แบบบวงสรวงอ้อนวอนอย่างที่พราหมณ์เขาทาแต่เราเชื่อมั่นในอนุภาพของจริงเหล่านั้นเราสามารถช่วยได้การจัดปัดเป่าอันตรายได้ในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งอย่างที่เคยเล่าเรื่องน้ำโมเรื่องอะไรต่อไรนะฮะเรื่องน้ำโมที่สามารถป้องกันอันตรายได้หรือเรื่องอิติปิโสที่ช่วยทหารในเวียดนามให้หายผีหลอกได้นี่นายทหารชั้นนายพลก็มาเล่ามาฟังเองอ่ะบอกแกบอกเกือบตายเลย เวียดนามมันถล่มลงในค่ายนะฮะปืนใหญ่ลงเอะปืนใหญ่ลงในค่ายตายเกลื่อนหมดเลยเพื่อนแล้วทีนี้ก็ไม่กล้าเ อ, าออกไปฝังข้างนอกก็ฝังกันในค่ายนะในเต็นอกฝังแล้วก็พอตกกลางคืนพวกพวกลุกขึ้นลุกขึ้นมาวิ่งกันยกๆๆๆๆักยักยยักก็ไม่ต้องทำอะไรไต้องนอนกันแล้วก็กลัวก็กลัวแต่จะหนีออกจากค่ายก็ไม่ได้เลยก็นึกอะไรไม่ได้ก็ต่างคนต่างก็นัดหมายกันมาก็สวดอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนนี่แหละ แล้วก็แผลโกรธน้ามุทิศกุศลให้เพื่อนฝูงที่ตายโดยระเบิดเวียดนามแล้วก็ก็นอนหลับสบายตั้งแต่วันนั้นมาก็ผีไม่รบกวนก็มันเกิดเนี่ยฮะแต่คนที่เขาสัมผัสผลก็พบก็เห็นเขาได้ไปจักมาแก่ใจกันตัวเองด้วยตัวของตัวเองนี่คือคือเรื่องอนุภาพจริงๆนะฮะท่านจะเห็นว่าไ ม, ไม่ได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติเลยอ้างอนุภาพตลอดแต่มันก็ขจัดทุกภัยโรคต่างๆที่เกิดขึ้น ในเมืองไพราลีได้นะครับพระสูตรนี้บอกแล้วว่ายาวก็ยังมีต่อย ว, ยวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทิน